สวายกรกรบมายัางเพื่อนจากธรรมิกจเจริญในธรรมมาอย่างคณแม่ชีหนธรรมทุกท่านระจอบว่ามีคนจีนมาอยู่30คนใครเป็นคนจีนยกมือเน่อะอันนี้เป็นการสอบถามเพื่อฟังภาษาไทยรู้เรื่องเปล่า อันดับแรกถามอีกครั้งใครเป็นคนจีนยกมือขึ้นใครเป็นคนญี่ปุ่นยกมือขึ้นในนี้ยยกมือสูงใครเป็นญีปนน่ปุ่ น, นญี่ปุ่นฟังเข้าใจอยู่คนหนึ่งใครเป็นคนไทยยกมือขึ้นคนไทยไดิ้มฟังกันออกนะ่ะยกมือขึ้นเลย กนน็นประเทศใท้ตนเตาฟังกันแล้วกันชาวเนี้ยนะคนไทยก็ฟังที่ฟังออกคนจีนก็คงฟังออน้ำเสียงน้าเสียงถึงฟังไม่ออกเสียงที่เปล่งออกมาจากใจธรรมะจริงๆมันไม่ได้ใช้ภาษาพูดหรอก ธรรมะจริงๆเป็นเรื่องของกริยาการกายวาจาใจที่แสดงออกชาวเนีย ก, กลับมาที่วัดป่าสุกโตอยู่จงังหวัดระยองไปทำงานมาเสร็จแล้วก็รู้ข่าวว่ามีคนจีนมาอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือพรุ่งนี้มันมาคาาบูชาใช่ไหม มันพระใหญ่ก็เลยนึกว่าเออที่เนี้ยเราอยู่ที่นี่เราไปเผยแผ่ธรรมเราไม่ได้ไปเที่ยวเราไปเพื่อใหญาติพี่น้องเพื่อให้ชาติตระกูลหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าภูมิชาติกําเนิดของเราที่ก็ไม่เคยรู้เรื่องการปฏิบัติปฏิบัติกันได้ว่ามีคณะแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬา ไปใช้สถานที่อยู่ที่นั่นก็โอเคไปทํางานแล้วกลับมาที่นิ่วัดป่าสุกโตเรามาอยู่กันทําอะไรอะ่ะอย่างคนจีนมาตั้งใจว่าทําอะไรที่อยู่กันอยู่ทําอะไรผมเรียนมาอยู่นะอยู่เพื่อที่จะเรียนรู้ธรรมมาจากหลวงพ่อเขียนเรียนรู้ว่าเออไอสิ่งที่เรียกว่า ความไม่ทุกข์ที่มเรียกว่าความสุขในชีวิตของเรามันอยู่ตรงไหนในกายของเรามีความสุขก็เรียกว่าบุญบุญคือความสุขที่ได้มาโดยชอบในใจของเราก็มีบุญบุญก็คือความสุขที่ได้มาโดยชอบทีนี้เราสามารถอยู่ตัวเองได้อย่างมีความสุขไหมล่ะมีพลังไหมมีกาลังใจไหม ถ้าเราอยู่ตัวเองได้ฟังเลยดียยนั่งห่วงเงาเหงานอนในะคนไทยถ้าเราอยู่ตัวเองได้ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองไม่ได้เปลีป่ยนผู้อื่นมีพลังมีกาลังใจพร้อมที่จะทำดีคิดดีพูดดีคิดแล้วก็ทาคิดแล้วก็พูดเป็นประโยชน์ตอนประโยชน์ท่านตรงนี้ทําไมเกิดกำลังใจทุกวันเพ่อเราทำเพื่อให้ตัวเองเราไม่ได้เอาอะไร เราทำเพื่อให้อยู่กับธรรมะธรรมชาติอยู่ได้แต่ว่ามันมีที่สุดของธรรมชาตินะจะว่ายังไง ม, มีที่สุดของธรรมะคือพระนิพพานอันนี้ไม่ใช่ของเล่นมาทําเล่นๆกันไม่ได้มันมรรคผลมันมีอยู่จริงมรรคคือทางเดินมีนมอยู่จริงญาณปัญญาก็มีอยู่จริงอันจิตใจเราจึงมีการเดินทางสู่การพ้นทุกข์ แล้วก็สามารถทําได้ทุกคนไม่เว้นแต่ไม่ใช่คําพูดนะพูดอะไรก็พูดได้หมดนั่นแหละการก็ทําในตัวของเราเนี่ยแต่เราจะไม่เห็นตัวเองนะมันเริ่มต้นจากอะไรที่นี่วัดป่าสุโขก็เริ่มต้นจากความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็หมายถึงสติสัมปชัญญะความรู้ได้ไม่รู้คนจีนบวชจะรู้เรื่องกันหรือเปล่า แต่ต่วนใหญ่บอกว่าถ้ามองในแง่ดีก็ดีอะนะแต่มองในแง่ของความตรงไปตรงมาแล้วเป็นเรื่องของความเค้่งครัดนะปวดไม่ได้จริงๆคือบวดไม่ได้หูหนวกเป็นใบเนี่ยปวดไม่ได้เคยเป็นเรื่องกันที่กลาวหนึ่งนะเคยเป็นเรื่องกันตั้งแต่นู้นสมัยคนหูหนวก แค่มาปฏิบัติธรรมกันเพื่อเฉลิมฉลองพระเทพอายุ4ี่ปีก็มาบวชอยู่ที่นี่เป็นกลุ่มคนเป็นใบ้หูหนวกก็มาอยู่ที่นี่ปฏิบัติกันเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดก็เป็นเรื่องเลย คนใบบวชได้เหรอมากันดิเนี่ยควมเห็นอ๋อแต่งแก้ชุดขาวกันกวนหัวกวนคิ้วแต่งชุดขาวม่ได้บวชแนนบวชพระท่านก็โอย้ยินดียินดีมีคนมาปฏิบัติไม่ต้องบวชก็ได้โอ้ยปฏิบัติกันเยอะแยะไปหมดนะชื่นชมอยู่ในนาสี่สนะิเก้าวันนะเดือนเสร็จเ็จปฏิบัติตามเงนสลาหน้ า, นาดงไผ่สลาไก่ ตอนนั้นจลาห์หไตรยังไม่มี mm hmm. ก็มาตรวจสอบกัน mm hmm. เอบวชได้ยังไงอ๋อไม่ได้บวชแค่ปฏิบัติธรรมผ่านไปรอดไป mm hmm. คนจีนก็เหมือนกันถ้าพูดไม่ได้นะ อ, อุโบสถวิบัติหมดนะศีนวิบัติหมดนะบวช mm hmm. แต่ว่าก็ผ่อนกันนะผ่อนกันไม่ไปไลหมู่มากลากไปเรีนทาอะไรก็ต้องระมัดระวังกันพูดแบบเคร่งครัดเนย แต่พุดถึความรู้สึกตัวนี่ไม่เกี่ยวใครจะบวชไม่บวชผู้หญิงผู้ชายเป็นจีนเป็นไทยญี่ปุ่นไม่เกี่ยวธรรมะมันเป็นของคนทุกคนที่นี่ก็พูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเมื่อเช้ามาถึงจอดรถปับ๊บโอ้มีคนปฏิบัติเออมันก็ชื่นใจนะแต่กระจหายนี่รถทำไมไม่มีจอดเลยมีอยู่หนึ่งคันปกติจอดพื้ไปหมดเลย ที่นี่ทำไมมันล้างแล้วเหรอก็ย <hasta S 1> ังค okay. ิดอย่างนี้อยู่โอ้ม่เห็นทำวัดสวดมนคนเยอะอยู่ไม่ล้างใชะเพราะนั่นเรื่องความรู้สึกตัวนะจะได้เห็นตัวเองแต่นี่ไม่ใช่คาพูดนะแต่เช้านี้มนเทศก็พูดยิงพูดไม่รู้จะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ขอพูดความจริงนิดหนึ่งความจริงก็คือเราได้รู้ชัดไมว่ามรรคผล จะสนาทำความจริงนะมันมีจริงๆมันจะมีเล่นๆเนละแล้วถ้าใครไม่ฝึกนะแย่ yeah, เลยความคิดมันพาพูดพาทำอันตรายมากไปไม่รอดเลยละ่ะเรื่องาศาสนาเนี่ยนะเป็นกล่าวกันมากมายอย่างเช่นนะเรื่องของคนฝึกกายดีนะพลตำรวจเอกพลตำรวจเอก แต่เราเป็นมือปราบยังไม่เอ่ยชื่อสิงห์เหนือเสือใต้เป็นเสือใต้ปรากฏว่ากระโดดห้างชั้นเจ็ดในกรุงเทพมันกระโดดห้างว่าตายคาที่ใครสั่งมันเน่เอาเรื่องรถไฟลางคู่มาเกี่ยวข้องกับการตายของตัวเองสร้างอุดมการณ์ขันมาในสมองกลายเป็นฮีโร่ในในก็จะอยู่ไม่ได้สองปีแ สร้างความเป็นฮีโร่ขึ้นมาแล้วก็ตายเป็นเราเราทำไหมเรื่องโลกโลกยังลอมตายแล้วเรื่องปฏิบัติธรรมมันจะยอมตายกันไหมอุคสมเด็สมเจ้านี่ยอมตายนะวันเพ็ญเดือนหขึ้น1ุนข้ามยามสามปิลกายยอมขอนั่งเป็นครั้งสุดท้ายไม่ลุกจากที่นี่มันต้นไปถ้าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิยาน เรายังไม่รู้ทมเรายังหยุดทำความเพียรเสียงแม้ตายไปก็ยอมนะก็ใช้รูปแบบการปฏิบัติโดยการฝึกสติปัะฐานนะตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่นรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสตนะิอันนี้จำมาเรียนมาคนก็พูดมาประวัติศาสตร์เขียนเอาไว้ในพระไตรปิฎก แต่ว่าของเราที่เราปฏิบัติกันที่นี้จากวันเพ็ญเดือนหกของพระเจ้านะมาเป็นวันนี้ของเราเราก็ฝึกสติโดยการเห็นกายเคลื่อนไหวจะเป็นลมหายใจกะดีท้องพองยกกะดีพิกมือกะดีวันนี้เลยขอให้ทำให้ถูกก็ทำให้เป็นนะวิธีการมีมากมายรูปแบบในโลกนี้ถ้าทำถูกก็มีผลถ้าทำไม่ถูกก็ผิด มันก็กลายเป็นเสียเวลาดื้อด้านทำยังไงกันการพลิกมือสร้างชวอการเดินจงกรมจนเกิดการวางจิตวางใจขึ้นมาวางหน้าวางตาวางไม้วางมือวางแข้งวางขาจนวานความทุกข์เกิดการวางความทุกข์ขึ้นมาการวางความคิดเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นความคิดจะสั่งเราได้ยังไงเมื่อเรารู้ทันความคิด การคิดการพูดการทําอารมณ์ต่างๆจะสั่งเราได้ยังไงเพราะในเมื่อความเป็นปกติของจิตจิตมีบ้านมีที่อยู่ตรงนี้บุญสูงสุดมันอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าบญที่เกิดจากภาวนาเป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลมันเห็นธรรมชาติมันเห็นที่สุดของธรรมชาติมันมีอยู่ตรงนี้ที่สุดของธรรมชาติมันเป็นไปตามอารมณ์ปฏิบัติถ้าเป็นภาษศาลอุปเทียนบอกคืนสู่ ความเป็นปกติให้กจิตของเรา <Yeah. S 2> จิตเป็นกลาง <Yeah. S 2> จิตปล่อยวาง <Yeah. S 2> จิตมีความว่าง <Yeah. S 2> มากมายเหลือเกินแล้วทีมกันก็คือมันเฉยและเฉยรู้ <Yeah. S 2> รู้เฉยเฉยเฉยแล้วรู้ <Yeah. S 2> มีความรู้รู้แล้วตื่นท้ายสุดตื่นรู้ <Yeah. S 2> มีความรู้รู้แล้วตื่นตื่นความตื่นบ่อยๆกลายเป็นตื่นแล้วก็รู้ รู้รอบกองสังขารกายยสังขารเรืองร่างกายลุปธรรมก็รู้เรืองจิตจิตตสังขารการปรุงแต่งทางจิตเป็นนามธรรมมันก็รู้มันมีทั้งรูปนามมีทั้งนามรูปมันไม่ใช่คนจีนคนไทยมันเป็นรูปธรรมมันเป็นนามธรรมมัไม่ใช่ญี่ปุ่นเป็นความรู้สึกตัว นั่นะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องเราต้องฝึกต้องหัดกันนะแล้วทำเล่นเล่นก็ไม่ได้นะมาชงเชงชงเชงยงเงย่ ง, งกันมันก็ไม่ได้ถ้าอยู่กันได้แบบนั้นก็โอ้มันก็ไม่รู้จะไปทิศทางไหนแล้วพ mm hmm. ระพุทธศานาพระเจ้าสอนจนกระทั้งดับขันปรินิพานมาคิดที่จวดจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด มันเป็นเรื่องที่ละทำได้ทุกคนไม่เหลือวิสัยความไม่หมย่ยความมีสติมีสมาธิมีปัญญานี่ละความมีสติมีศีลความรู้สึกตัวศีลมีสองแบบศีล ส, สังคมกับศีลทิมปรากฏภายในจิตใจของเราความเป็นปกติมี2แบบมอปกติกองประชาชนมีศีลในสังคมหรือว่าคอระเบียบในสังคม สี่นับส็ถ้าบวชก็ทําให้เกิดความเป็นปกติของจิตก็คืออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่รวงละเมิดไม่เป็นที่รังเกียจและท้ายสุดก็คือฝึกจิตให้เข้าสู่ภาวะปกติของจิตอย่างนี้นะมันมีข่าวค่าวอะไรมากมายนะแต่โซเชียลเน็ตเวิร์กเกี่ยวเรื่องการฝึกจิตสถานที่ปฏิบัติเกี่ย ว, วพระทําอะไรไปเดี๋ยวนี้ กลายเป็นเรื่องของภายนอกที่ทําให้เกิดศรัทธาเสื่อมของเรายังดีว่าตัวศรัทธาในตัวปฏิบัติศรัทธาในตัวเองยังมีอยู่คนไม่ศรัทธาเราไม่ได้มีปัญหาแต่เราศรัทธาตัวเองยังศรัทธาเคารพตัวเองสําคัญเห็นตัวเองจะดียังไงจะชั่วยังไงลองปฏิบัติ ด, ดูมีศีลอย่างไงไม่มีศีลอย่างไง มีศีลในตัวไม่มีศีลในสังคมเป็นยังไงมีศีลในสังคมไม่มีศีลในตัวเป็นยังไงมันจะได้คําตอบอเพราะฉะนั้นเราพระรหันตนะ์ในวันพุ่งเนี่ยคือวันมาคาบูชาเป็นวันพระใหญ่ในวันโกนมันก็กลายเป็นเรื่องที่พระสงฆ์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายหนึ่คน พุทธเจ้าเนี่ยรู้เรื่องหนึง่งในขณะที่หลายคนหลายลัทธิไม่รู้ว่าท้ายสุดเน่เหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายเหนือทุกข์เหนือทุกข์เนี่ยมันมีโดยการที่พุทโธได้หาค้นหาและวค้นพบความจริงจริงๆแล้วก็สอนต่อบอกต่อ 1,250 คนมากันโดยไม่ได้นัดหมายภายในเวลาเดือน8ถึงเดือน3นะเดือน8 1, 2, 3, เดือน9ก้าสิมเดือนมีคนเข้าใจมีคนรู้ตาม 1,250 คนแล้วรู้จริงๆนะบางทีพูดคำา2คคำก็รู้รมบางทีก็พูดซ้ำๆก็รู้รม บางทีไม่ได้พูดอะไรเยอะนะให้บำเพ็ญเพียรตรงๆลงไปก็บรรลุธรรมมันก็เลยบอกว่าสิ่งนี้เป็นได้นะเป็นได้สิ่งนี้ก็หมายถึงมรรคผลนิพพานะเป็นได้เราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าทำแล้วทำถูกก็ถูกทำทำถูกก็ถูกทำ เร็วๆนี้พระที่นี่ไปรูปนึงนะเป็นพระจันทร์บุรีอยู่มาที่นี่สเดือนก็จะศึกก็เลยพาลงไปที่ระยองด้วยพระเจ้าจันทร์บุรีก็เห็นเก็บเนื้อเก็บตัวดีหนึ่งดีแต่ท้ายสุดก็พูดตรงๆเลยว่าอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะโหเขาบอกเลยว่าก็อยู่ไม่ได้ก็ถามเป็นไลพระไม่มีวินัยเลย อยากทำอะไรก็ทำกันอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากทำอะไรก็ทำกันเพูดแบบนี้นะเคยเอาจาร์มาบวชยุ่คนจานพศุนทรพศเป็นครูสอนวิชาสังคมมาบวชเขอยู่ไม่ได้เลยเหมือนกันก็าพระที่นี่หลมากเลยไม่มีวิ น, นัยนี่พูดแบบตรงไปตรงมานะคนจีนฟังเป็นเรื่องอยู่แล้วแต่เพยอพระไทยฟังกำลังพูดถึงว่าเออทำไมบางคน มาอยู่กับตัวเองก็อยู่ไม่ได้ร้อนรุ่มเพรามอไปนอกตัวไม่ได้รู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวมองกลับมาหาตัวเองพยายามให้สังคมมีศีลไม่ได้ดูในตัวการนี้ก็เลยเไประยองนั่นแหละไปปฏิบัติก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเบือ่อนายทศกาสั่งสอนขี้เกียจทําตามอายุหกสิบสามแล้วีหกแล้วไงมียศถาบรรดาศักดิ์มาบวช เราก็ไปถามหากาแฟเลยนะไปเรยองวันแรกไปเดินถามหากาแฟเหละกาแฟมีไหมก็บอกจะเป็นแปลกยังไงไม่อยู่เนี่ยถามหาร้องหาร้อ ง, องขอนะเนี่ยแปลกชัดๆเปลกนะครับผ้าเหลืองพูดแบบตรงไปตรงมาอยู่ไม่ได้เลยนะพอวันที่มาสอนอยู่ที่ขอนแก่นหนีกลับเลยจันเดบรีบอกกับทายู่กับอาจัน์สงศินนี่ยเดี๋ยวก็กล่อมให้อยู่ แต่อยู่แล้วไม่มีความสุขเลยเอาความสุขอยู่ในตัวไอ้ที่เราชี้นี่คือสิ่งที่ยึดที่ติดกันเราเคยเป็นอย่างนั้นเมื่เราเป็นอย่างนั้นเรามาบวชล้วมาฝึกมันก็ทำไม่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็ให้หมดนั่นแหละสินานาสุขมาให้สินนำพกะัศมาให้สินานานความเย็นมาให้ถ้ายังผลขวายอยู่หาอยู่หากินแล้วก็วัดนิ่มวัดสบายวัดสบายถ้าอยู่ไม่ฝึกไม่หัดนี่แหละก็อยู่ไปเถอะ เดี๋ยวมันก็ร้อนผ้าเหลืองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะ้ความรู้สึกตุ่มทำให้เย็นแล้วก็นินทาสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดโลกธรรมแปดไม่ทับถมหรอกมันก็ปกติอยู่ข้างในมีอะไรก็คุยกันโดยเหตุด้วยผลโดยกรอบโดยขอบดยเขตกติกามา ร, รยา ต, ต่างๆนนแล้วียกวินัยโลกธรรมเพราะฉะนั้นการบวมมีผ้าวินัยอยู่ผ้าวินัยศี่สองร้อ็ข้อ แล้วก็เรื่องของการเบื่อต้องกล่าวคาบวชท่องให้ได้ตอนสมัยผมเลยาะมาบวชนี้ท่องเองท้องเองช่งนั้นบวชก็เจ้าคณะตำบลแล้วก็หลวงพ่อคำเขียนนะบอกให้ท่องเองก็มันก็จำไม่ได้ก็ท่องอยู่นั่นแหละกับเครึ่งเดือนต่องจนกระทั่ง มีคารู้การบวชนี่นมันยากจนท้อเหมือนกนะันว่ามันท่องไม่ได้แล้วมันจะทํำยังไงหลวงพ่อพิเกียนเขาบอกไม่ต้องคุณศงศีลไม่ต้องไปทุกข์ทำใจสบายๆจะบวชตากว่าจิตใจไม่สบายมันบวชแล้วมไม่ค่อยได้บุญหลวงพ่อก็าพูด ช่วงไหนไม่ได้ก็มีพระกรรวาจารย์จารย์บอกก็รู้สึกอุ่นใจแต่พอมาเรียกท น, รรนี่จะเห็นว่าตัวเราเองบวชที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเราคืนสู่ว่าสภาวะสภาพของความเป็นปกติสภาวะหรือสภาพของความเป็นปกตินะั้นมันเป็นเรื่องที่ มีอยู่แล้วในตัวเราทุกค น, นโอ้พูดไปเสียงํำท่าจะหมดนิยมมันไม่เคยได้พักกรรมพักก็คือเสียงมาจากระยองเนี่ยพูดกับยี่โรเอะตั้งแต่ระยองจนถึงเนี่ยชัยภูมิแล้เป็นคนที่คุยเก่งมากพูดเก่งพูดอะไรมากมายแล้วกัน ก็มีความจึงเหมือนว่าเราเสียสละเนี่ยเสียสลเมตตาใช้ความเมตตาในการพูดการคุยเพื่อให้เขาได้ชัดเจนเรื่องภาษาชัดเจนเรื่องความหมายละเอยละเอียดก็เสียสละคำพูดเนี่ันดี้ก็ฝึกให้มีความอดทนอดกลัน้นนั่งรถจากจังหวัดระยองมา นั่งรถจากจังหวัดระยองมาเนี่ยฝึกให้เป็นคนที่อดทนอดกลัน้นมีกันติมิจฉบะการเตรียมตัวก่อนทอมัดสวดมนต์ก่อนเตรียมตัวก่อนเอ่อก่อนเดินทางต้องดื่มน้ํา น, น้อยๆหรือว่าเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยอันนี้เพื่อให้กายของเรามีศีลมีความเป็นปกติให้มากที่สุดเพราะการเดินทางเราถึงจุดหมายปลายทางให้เร็ว นางซอกพังก็ร้องเข้าห้องน้ำ <Yeah. S 1> ก็ต้องบอกกันว่าเดี๋ยวปั๊มข้างหน้าเราก็ปวดเหมือนกันเราก็อดทนอดกลั้นเหมือนกัน <Yeah. S 1> แต่เราก็ยังไม่ลงเป็นการฝึกกันการเดินทาง <Yeah. S 1> มีความอดทนมีความอดกัน้นพูดในรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเพราะร <Yeah. S 1> ัวเขาเป็นคนพูดเก่ง <Yeah. S 1> เวลาประชุมส่งขึ้นมาก็จะมีประเด็นของเขานะ ว่าเขาสร้างปัญหาสร้างอะไรไว้ในวัดเปล่าเราก็เมตตานะในเมื่ออยู่คนอื่นอยู่ยากเรากอ็อยู่กับเราก็ได้ไม่เป็นไรไม่ดีมาหาเราใครไม่ดีมาหาเราเราไม่พาทายเสื่อมก็ฝึกหัดกันเสียงแหว่เสียงแห้งมาคืนมาใส่กรรมพักอยู่นะมาอยู่ที่บ้านโยมสุนทรีก่อนไม่ได้ขึ้นมาที่นี่เพราะว่า กุฏิสาลาไม่ได้อยู่นานก็ฝุ่นมาถึงก็ไม่ได้นอนกันเนี่ยต้องเช็ดปัดเช็ดกวาดปัดถูก็เลยตัดสินใจมาถึงเกินก็พักอยู่ที่บ้านลูกศิษย์มันมีกุฏิอยู่ที่นั่นเวลาเดินทางไกลามาใจปูมก็แวะพักก่อนมีกุฏิพักแต่เราขึ้นมาด้วเนี่ยก็สังเกตเออหลังจากตื่นนอนมันก็เงียบเงียบมาจนทั้งถึงใจภูมิมาถึงที่ร้อเอ๋ ถึงเวลาเงียบก็ต้องเงียบถึงเวลาพูดก็ต้องพูดเรียวเสียสละเมตตาธรรมมันก็จึงนี่แหละฟังดูเสียงแหบเสียงแห้งแต่ความจริงที่พูดน่นก็คือตรงนี้นะตรงที่ว่าทุกค น, นต้องคืนความเป็นปกติของจิตให้กับจิตอย่างนี้ไนงะร่างกายของเรายัางต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพังแน่นอนร้อยเปล แต่มันจะพังแบบไหนแบบเราเบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นผู้อื่นเบียดเบียนเราอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเบียดเบียนตัวเองโดยการคิดและเป็นทุกข์อันนี้สำคัญอันตรายมากคิดแ ล, ลว้วโลดคิดแล้วโกรธคิดแล้วหลงคิดแล้วก็วุ่นวายสับสนในตัวฟุง้งซ่านและไม่มีหลักการปฏิบัติเลยกลับมาหาความรู้สึกตัวไม่เป็นเลยอันตรายอันตรายมากๆ ก็เรามีภัยอยู่แล้วเดีย๋ยพภัยวัตตสงสารคิดแล้วโลภแล้วโกรธแล้วหลงพเพราะเสพยังติดพเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงเสพตรงนีรสชาติของโลกในกามในกินในเกียรติติดรสชาติเอาแต่ใจตัวเองที่ถี่มานหน้าห่างการบังการอัตตาตัวตนมีความหยิ่งผยองควาลมลำพองความทรมนงวะนะี่อันตราย เราก็จึงฝึกกันนะทุกคนมารวมตัวกันเป็นพี่เป็นน้องกันวัดป่าสุขโตเป็นนานาชาติญี่ปุ่นมีฝรั่งมีไปไปมามาคนจีนคนไทยอยู่กันถ้าอยู่ในหลักธรรมเราอยู่กันได้อย่างสนิท ส, สันิภาพทีเดียวไปอย่างนี้นะก็เลยวาดหวังไว่ามาสุขโตในคราวนี้ได้เจอญาติพี่น้องกันผู้รวมเดินทางสู่มรรคสุผลนะและท้ายสุขกได้ มีดมงคติเดียวกันก็คือทําความไม่ประมาทในถึงพร้อมเถิดเมื่อกี้บทสวดเมื่อสักครู่เราเราได้สวด ร, ร่วมกันตอนที่พ่อของเราคือองค์มสมเด็จสมาฯเจ้าถึงจะละสังขารดับขันคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วหลวงพ่อเขียนจะคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วหลวงปู่เทียนจะคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วแล้วก็2เดือนที่ผ่านมามีพระเกจิอาจารย์ในประเทศไทยก็ เรีวยกว่ามลนภาพหรือว่ากนสู่ธรรมชาติก็ได้อีกสี่รูปนี้หลวงพ่อเพลงหลวงปู่เพลงอะไรบ้นเป็นพระดังพระดีก็จากเราไปทีละคนสองคนก็เป็นต้นแบบที่ดีตัวอย่างที่ดีเราก็ยังเดินตามรอยไม่ทอดทิ้งคำสั่งคำสอน ยังมีความรู้สึกตัวเจริญสติปัฏฐานอยู่ในการดั่งการเดินการยืนการนอนจะทาอะไรก็ตามความตื่นรู้มีอยู่เป็นอัตโนมัติไม่เกี่ยวกับวันไม่เกี่ยวกับกลางคืนเกี่ยวกับความตื่นในจิตในใจเกิดความผ่องใสแห่งใจแห่งภายในหรือความชั่นชื่นรู้ตื่นเบิกบานพวกนี้ก็กลายเป็นสมบัติ กลายเป็นคุณธรรมธนะรรมชาติที่ให้คุณมีความอดทนมีความอดกลั้นอายชั่วกลัวบาปเมตตากรุณาเมตตาเบกขามีศีลนะ ม, มีสมาธิมีปัญญาตัวนี้เป็นองค์ของคุณธรรมเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่เราจะด่เนินชีวิตต่ตอไปจนท้ายสุดนะอะไรพูดมาสมคลแก่เวลาเนาะ เดี๋ยวเราก็เดืรับกิจของตนองตนก็ต่อไปในท้ายสุดนี้ก็ขออำนาจของคุณธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้ในสากลโลกเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นฤทธิ์ปฏิหารอะไรก็ตามในองค์ของคุณพระศรีรไตรแล้วก็ธรรมะที่เราได้เจริญลอยตามองค์สมเด็จธรรมามระเจ้าให้คุ้มครองเราธรรมะคุ้มครองจนทั้ง